วิญญาณแปลาตามแบบว่าความรู้แจ้งคือรู้แจ้งอารมณ์หมายถึงความรู้ประเภทยืนพื้นหรือความรู้ที่เป็นตัวยืนเป็นฐานและเป็นทางเดินให้แก่นามอาคารอื่นๆเกี่ยวข้องกับนามอาคารอื่นทั้งหมดเป็นทั้งความรู้ต้นและความรู้ตามที่ว่าเป็นความรู้ต้นคือเป็นความรู้เริ่มแรก เมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นเกิดวิญญาณขึ้นจึงจะรู้สึกชื่นใจหรือบีบคั้นใจคือเวทนาจึงจะกำหนดได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่คือสัญญาจึงจะจำนวงตอบและคิดปรุงแต่งไปต่างๆคือสังขารเจนเห็นท้องฟ้า เกิดวิญญาณรู้สึกสบายตาชื่นใจเป็นเวทนาหมายรู้ว่าท้องฟ้าสีครามสดใสฟ้าสายฟ้าบายฟ้าสวยเป็นสัญญาชอบใจฟ้านั้นอยากเห็นฟ้านั้นนานๆไม่อยากให้เวลาผ่านไปโกรธชายคาที่บังไม่ให้เห็นฟ้านั้นเต็มที่ คิดหาวิธีจะทำให้ได้นั่งดูฟ้านั้นได้สบายๆชัดเจนและนานๆเป็นต้นเป็นสังขารที่รู้ตามคือรู้ควบไปตามกิจกรรมของขานอื่นๆเจนรู้สึกสุขสบายก็รู้ว่าเป็นสุขเป็นวิญญาณพึงสังเกตว่ารู้สึกสุข กับรู้ว่าเป็นสุขไม่เหมือนกันรู้สึกบีบคั้นใจไม่สบายเป็นเวทนารู้สึกบีบคั้นใจไม่สบายก็รู้ว่าเป็นทุกข์เป็นวิญญาณความรู้แจ้งในอารมณ์หมายรู้อย่างนี้เป็นสุขอย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นสัญญาก็รู้ไปตามนั้น เมื่อคิดนึกปรุงแต่งตั้งเจตจำนงไปอย่างใดๆเป็นสังขาร <c oughs> ก็ย่อมมีความรู้ควบอยู่พร้อมกันด้วยโดยตลอดกระแสะความรู้ยืนพื้นซึ่งเกิดดับต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาควบไปกับนามคานอื่นๆหรือกิจกรรมทุกอย่างในจิตใจนี้เรียกว่าวิญญาณ ลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิญญาณคือวิญญาณเป็นการรู้ความต่างจำเพาะรู้ความหมายจำเพาะหรือรู้แยกต่างความหมายนี้พึงเข้าใจด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นผ้าพืนลายที่ว่าเห็นนั้นแม้จะไม่ได้กำหนดหมายว่าอะไรเป็นอะไร ก็ย่อมเห็นลักษณะาอาการเช่นสีสันเป็นต้นซึ่งแตกต่างกันเป็นพื้นอยู่พร้อมด้วยเสร็จนี้เป็นความรู้ขั้นวิญญาณเพราะวิญญาณรู้เห็นความแตกต่างนั้นอยู่สัญญาจึงหมายรู้อาการที่แตกต่างกันนั้นได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นเขียวขาวแดงเป็นต้น หรืออย่างเมื่อรับประทานผลไม้ถึงจะไม่กำหนดหมายว่าเป็นรสหวานรสเปรี้ยวที่รู้รสที่หวานที่เปรี้ยวนั้นซึ่งแตกต่างกันและแม้ในรสที่เปรี้ยวหรือหวานด้วยกันแม้จะไม่กำหนดหมายว่าเป็นรสเปรียมมปร้ยวมะม่วงเปรียาาปร้ยวมะปรางเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวสับ ป, ประรดหรือหวานกล้วยหอมหวานกล้วยน้ำว้าหวานกล้วยไข่ หวานแอปเปลิลเมื่อลิ้มก็อยอมรู้รสที่ต่างจำเพาะนั้นความรู้อย่างนี้คือวิญญาณเป็นความรู้ยืนพื้นเมื่อรู้แล้วนำมาคันอื่นจึงจะทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นรู้สึกอร่อยไม่อร่อยคือเวทนาจำได้หมายรู้ว่า รสหวานอะไรรสเปรี้ยวอะไรคือสัญญาเป็นต้นส่วนในแง่ที่ว่ารู้ความหมายเฉพาะนั้นอธิบายสั้นๆว่าเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นคือเห็นได้ยินเป็นต้นว่าที่จริงแล้วจะเป็นการเห็นการได้ยินเฉพาะบางแง่ บางความหมายของสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเท่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินตามความหมายจำเพาะแง่จำเพาะ อ, อย่างที่เราใส่ให้แก่สิ่งนั้นทั้งนี้สุดแต่สังขารที่เป็นปัจจัยให้วิญญาณ น, นั้นเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นในท้องทุ่งแห่งหนึ่ง เป็นที่โล่งกว้างมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่ต้นเดียวเป็นต้นใหญ่มากแต่มีผลอยู่เพียงไม่กี่ลูกและใบห่างแทบจะอาศัยร่มเงาไม่ได้มีชายห้าคนเดินทางมาถึงต้นมะม่วงนั้นในโอกาสต่างๆกันคนหนึ่งวิ่งหนีสัตว์ร้ายคนหนึ่งกำลังหิวมากคนหนึ่งร้อนแดดกำลังต้องการร่มไม้ คนหนึ่งกําลังหาผักผลไม้ไปขายคนหนึ่งกําลังหาที่ผูกสัตว์เลี้ยงของตนเพราะจะแวะไปธุระในย่านใกล้เคียงคนทั้งห้าคนนั้นมองเห็นต้นมะม่วงใหญ่ทุกคนแต่จะเป็นการเห็นในแง่และขอบเขตความหมายต่างๆกันวิญญาณเกิดขึ้นแก่ทุกคนแต่วิญญาณของแต่ละคน หาเหมือนกันไหมเพราะแตกต่างกันไปตามเจตจำนงของตนของตนต่อต้นมะม่วงในเวลาเดียวกันสัญญาคือการกำหนดหมายของแต่ละคนก็จะต่างๆกันไปภายในขอบเขตแห่งความหมายที่ตนเห็นในขณะนั้นด้วยแม้เวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกัน เช่นคนที่วิ่งหนีสัตว์ร้ายเห็นต้นมะม่วงใหญ่แล้วดีใจเพราะเห็นเครื่องช่วยให้หนีรอดปลอดภัยคนที่หิวมากก็ดีใจเราผลมะม่วงเพียงสามสี่ลูกก็จะช่วยให้ตนอิ่มพ้นอดตายได้คนร้อนแดดอาจเสียใจเพราะผิดหวังที่ไม้ใหญ่ไม่มีร่มให้อย่างที่ควรจะเป็น คนหาผลไม้ไปขายก็อาจเสียใจเพราะผิดหวังต่อจำนวนผลไม้ที่น้อยส่วนคนหาที่ผูกสัตว์เลี้ยงอาจจะรู้สึกสบายใจแต่เพียงเล็กน้อยแค่โล่งใจว่าไม่ต้องจูงสัตว์ไปหรือไปหาที่ผูกที่อื่น